Thank mm -hmm. you. ใ น, นเวลานี้เรากำลังศึกษากาลังปฏิบัติธรรมการปฏิบัติธรรมคือการเจริญสติเราสติมาตั้งไว้ที่กายมาตั้งไว้ที่จิตใจก็จะขยายผลไปหลายอย่างเห็นเวตนาเห็นความคิดเห็นธรรมมันเป็นผลกระทบไปหลายๆอย่างต้นสายปลายเหตุหน้อยเราก็ต้องเห็นอะไรที่มันเกิดขึ้นกับกายกับใจ โดยพ่อพวกคณะพยาบาลหม อ, อทั้งหลายที่พากันมาเจริญสติเป็นคำรบปันททหกที่เกิดแล้ว น, นอ้อยก็เห็นความหลงที่เกิดขึ้นกับกายเห็นความหลงที่เกิดขึ้นกับจิตใจเห็นความทุกข์เห็นอะไรต่างๆที่มันเกิดขึ้นกับกายกับกจิตใจจนได้พูดออกมาว่าความหลงมันเป็นอย่างนี้อย่างนี้ความไม่หลงมันเป็นอย่างนี้อย่างนี้ ความทุกข์มันเป็นอย่างนี้อย่างนี้ความไม่ทุกข์มันเป็นอย่างนี้อย่างนี้เห็นอย่างนี้แหละเห็นธรรมแต่เห็นแล้วก็พ้นละ่ะพอเรารู้จักธรรมเรารู้จักการมีสติแม้นไม่มีเหตุมีผลอันใดสําหรับปฏิบัติธรรมเบื้องต้นรีบกลับมาสร้างสติเรื่อยไปมันจะเกิดอะไรขึ้นก็าตามกลับมาลู่สึกตัวกลับมาลู่สึกตัว ไปก่อนเดินไปก่อนก้าวไปก่อนถ้าสิ่งที่เราเห็นเราลู้เราสุขเราทุกข์มันจะอยู่ข้างหลังมันไม่อยู่ข้างหน้าถ้าเราลู้สึกตัวเอาความหลงไว้หลังเอาความทุกข์ไว้หลังในความลู้สึกตัวก้าวไปข้างหน้าสิ่งไหนยอยู่ข้างหลังมันก็ไม่มีประโยชน์ถ้าสิ่งไหนอยู่ข้างหน้ามันก็เป็นปัญหาเอาความหลงไว้หลังเอาความทุกข์ไว้หลั ง, ยยงเอาความ ไตกกองวลต่างๆว่หลังแล้วเราก็ตอบได้จริงๆความหลงมันเป็นอย่างนี้อย่างนี้ความรู้มันเป็นอย่างนี้อย่างนี้ความทุกข์มันเป็นอย่างนี้อย่างนี้ความไม่ทุกข์มันเป็นอย่างนี้อย่างนี้มันขนาดเดียวกันอะไรก็ตามถ้าว่ามันเป็นอย่างนี้อย่างนี้นั่นแะเข้าสู่วิปัสสนายกกิจขึ้นสู่วิปัสสนาภูมิได้กระแส กระแสแห่งมรรคผลในพานก็ค่อยๆเป็นอย่างนี้แหละไม่ใช่ว่าจะกระแสเป็นทางเป็นสีเป็นเส้นไปไม่ใช่นั้นกระแสหมายถึงมันเกิดขึ้นกับสติปัญญาของเราเรามีสติเราก็ได้กระแสแห่งความมีสติเวลาใดมันหลงกระแสแห่งความรู้สึกตัวมันเป็นล่องลอยเป็นเราสร้างสติไปในกายในใจิตใจ รอยของสติจะมีอยู่ในกายในใจเรามันจะเห็นเหมือนเราเดินทางนั่นแหละเดินทางความเป็นทางเวลาใดที่เราหลงเขารกเขางแต่มันก็ออกมาทางเราเคยเดินทางทางมันก็บอกวาร ม, มีความรู้สึกตัวนั้นเป็นมักทางเดินของชีวิตจิตใจเราเราได้เหยียบไปแล้วในกายในจิตใจของเรา เราได้สร้างไว้แล้วมันมีทางแล้วเห็นแล้วตอไม่เกิดอะไรก็คิดเห็นพบเห็นรู้เห็นแคิดเห็นมันยังอยู่กลยแต่ภาคปฏิบัติมันพบเห็นเห็นความหลงก็เห็นความรู้มาพร้อมๆกันก้าวออกจากความหลงไปสู่ความรูก้ก้าวไปที่หนังมันถูกความหลงยกขาออกไปสู่ความรู้มอนเรายกขาไปเหยียบหนา หอยออกมาไปเหยียบบันเื่นยกเท้าไปเหยียบที่คลนขี่โคนเหยียบคู่เดียวเลยยกไปเหยียบที่อื่นนั่นเป็นนี้การเดินทางของกิจใจการเดินทางของกายก็เป็นเช่นนั้นเหมือนกันเอาตัวรอดมาถึงได้ทุกวันนี้ปลอดภัยได้เพราะการเดินทางการเดินทางของชีวิตกิจใจไปสู่มอกคผลในผ่านก็เช่นเดียวกัน นันเหยียบไปถูกความหลงห้อยกลับออกมาเหยียบปนความรู้สึกตัวความรู้สึกตัวก็เป็นทางเป็นการสะดวกแล้วคนเคยเหยียบทางที่มันเคยเดินทางมันไม่เหมือนสัตว์เดรัจฉานที่มันเข้าลุกเข้าผงาเพราะทางมันมีเราก็เดินไปมันได้เสน้นได้ทางการปฏิบัติธรรมนะ ไม่มีใครที่ไปเอาความหลงไม่มีใครที่จะไปเอาความทุกข์ไม่มีใครที่จะไปเอาความโกรธไม่มีใครที่จะไปเอาความไม่ตกกองวลเส้ามองมันไม่ใช่ทางไม่ถูกต้องไปบกไปมุ่นไปหลงไปหมกมุ่นทําไมมาอยู่บนทางคือความรู้สึกตัวความหลงมันไม่ใช่ทางความไม่หลงมันเป็นทางความทุกข์มันไม่ใช่ทางความไม่ทุกข์มันเป็นทางมันตรงกันข้ามอย่างนี้การปฏิบัติธรรม เรียกว่าพบทางเยอะแยะทางออกของจิตวิญญาณไม่จนเลยเราคนไม่มีการศึกษาไม่เคยเดินทางนี่ก็จนแล้วจนอยู่ในความหลงมุกมนอยู่ตรงนั้นความหลงก็อริษฐิชีวิตของเราให้เป็นไปต่างๆนานาจนอยู่ในความทุกข์มุกมนอยู่ในความทุกข์ข้ามวันข้ามคืนมุ่นอยู่ในความทุกข์หมกมุ่นอยู่ในความคิดหมกมุ่นอยู่ใน อะไรต่างๆมากมายลงหรือว่จนชีวิตที่จนกรอกไปไหนก็ไม่ได้ตกอยู่ในสภาพสิ่งแวดล้อมที่มันหมกผูกมัดลัดลัลเพราะนั้นเราจึงมาปฏิบัติเป็นการปลดปล่อยปฏิบัติธรรมคือการปลดปล่อยชีวิตจิตใจของตนเองให้เป็นอิสระภาพความหลงมันผูกมัดความไม่หลงมันเป็นอิสระ เป็นอิสระภาพความทุกข์มันปลูกมัดลัดเลึงมันจำจองความไม่ทุกข์มันอิสระภาพสัมผัสดูเอาเท็จจริงอย่างไงเป็นปัจจดตังของผู้ปฏิบัติสร้างขึ้นมาประกอบขึ้นมาทำให้มันมีเราก็มีสิทธิมีสิทธิที่จะต้องเป็นอิสระอิสระภาพ เป็นมิตรภาพของจิตวิญญาณไม่ถูกเก็บกลุมข่มขังไม่มีการกดขี่ไม่มีการบังคับขับใส่ปฏิบัติธรรมน่ยมันสะดวกมันคืนสู่เย้าสู่ธรรมชาติมันคืนสู่ธรรมชาติธรรมชาติมันยิ่งใหญ่ธรรมชาติของกายธรรมชาติของจิตใจมันยิ่งใหญ่คืนสู่ธรรมชาติธรรมชาติของชีวิตจิตใจของเรามันปกติ กายปกติใจปกติเป็นบ้านเป็นที่อยู่อาศัยไม่จนถ้าเราไม่เปลือกโคก็ไม่ใช่เล็กน้อยของคืนา้ากลางเวลานอนหาเรื่องไมาคิดกายมันไปติดอะไรมาตาหูจมูกลิ้นกายใจไปติดอะไรมามันยังเป็นรสชาติในการติด มันเป็นรสชาติในการติดตามันก็ติดก็มาฉายให้เราดูหูมันก็ติดก็มาฉายให้เราดูมันติดความไม่ดีเสียด้วยนะตาเนี่ยมันสุขสนเจ้าสุขสนติดอันไม่ดีเสียด้วยเห็นเวลาใดที่คนเต็นหูเวลาใดที่ได้ยินเขาว่าเขาเตนทาอย่างโน่นอย่างนีง้มันก็เอามาคิดมันติด ทำไมจึงพูดอย่างไนันทำไมจึงทาอย่างนี้ทำไมจึงเป็นอย่างโน้นอย่างนี้มันติดมาเอามาทำไมเอามาทำไมเอามาทำไมเอามาพ้องตัวเองเป็นโจทย์ของเราเป็นจำเลย ต, ตัวเองเป็นโจทย์ตัวเองตัวเราเป็นจำเลยตัวเองชีวิตที่มีแต่โจทถูกเป็นจำเลยตลอดชีวิตทั้งชาติความหลงก็เป็นโจทเราก็รับ อ, อกความหลงมาไว้ในกายในใจ ก็ถูกเป็นจำเลยของความหลงควาออมทุกข์ก็เป็นโจทย์เออยู่บนชีวิตจิตใจก็เป็นจำเลยของความทุกข์ไม่เป็นอิสระพอออกมาได้ในโตโมนาจารย์พุทธทาสว่าพ้นแล้วเฮ้ยพ่นแล้วเฮ้ยพ้นแล้วเจีงเก่งหลุดพ้นมาได้เจียงเก่งขนหัวลุกขนหัวลุกหมวนเราเป็นผู้ใหญ่แล้ว สมัยเป็นเด็กก็เล่นขี้โคลนเล่นขี้โคลนเพื่อรู้จักสิ่งสกปรกพวกนอนนัวใ น, นวี้พอโตขึ้นมาละโอ๊ยไม่ได้พอเห็นเด็กเล่นขี้โคลนก็ขนหัวลุกไม่กล้าที่จะไปอยู่ในสภาพเชียนนั่นเพราะมันไม่ถูกต้องมันสกปรกความหลงเป็นความสกปรกความทุกข์เป็นความสกปรกความโกรธเป็นความสกปรกความปรุงปลูกแต่งแต่งเป็นความสกปรก หรือว่าสังขารสปกปรกวิสังขารสะอาดเราได้สวมเสื้อผ้าที่สะอาดมันก็ต่าง ก, กันกับสวมเสื้อผ้าที่สปกปรกสัมผัสดูก็รู้จักนั่งนั่งนอนๆอ น, น, อนไม่สบายผู้ที่ได้รับความสะอาดแล้วเขาจะไม่เอาความสาปกปรกนิดหน่อยเขาก็ไม่เอาชีวิตจิตใจของเราเป็นเช่นนั้นความสะอาดหมดจดจากเครื่องเสือง เรียกว่าคีวิตพรหมจรร ย, ย์ที่สุดของาศาสนาคือพรหมจรรย์ยบริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงพร้อมทั้งอัฏฐะพร้อมทั้งพยัญชนะแต่แดงออกทางกายก็เป็นกายสุจริแตแสดงออกทางวาจาก็เป็นวาจาสุจริแตแดงออกทางจิตใจก็เป็นมโนสุจริตสุจริตคือชอบ้วยธรรมชอบด้วยสินโดยธรมยธรม ไม่เบียดเบียนตนไม่เบียดเบียนคนอื่นแล้วก็ชนคนอื่นไม่ให้เขาเบียดเบียนเขาไม่ให้เขาเบียดเบียนคนอื่นเลื่อยไปแจกของสองตะเกียงไปเป็นชีวิตอย่างนี้เป็นชีวิตแบบนี้จากหนึ่งเป็นสองจากสองเป็นสามต่อกันไปเป็นหนูเป็นเม็ดเป็นกัญยาณเมตรช่วยกันไปนนี้แจกของสองตะเกียงให้ช่วยใครไปได้เขาไม่ทําให้ใครเดือดร้อน วางคู่วางคนแมนะ้ทำให้ตนเดือดร้อนก็เป็นบาปเป็นบาปทําให้ตนนึงเป็นทุกข์ก็เป็นบาปความกโกรธก็ถือว่าเป็นบาปกับตัวเองบาปหนักตกนรกด้วยเหมือนกันเดี๋ย่าไปคิดว่าไปทําบาปไปลักขโมยนั่นตกนรกข่าไปตีเขาตกนรกไม่ใช่นะความกโกรธหรือความทุกข์หรือทําให้ตัวเองเป็นทุกข์ก็ตกนรกเหมือนกัน ทำไม้เบียดเบียนตัวหนูเป็นตกตัวโลกเหมือนกันนรกของเขาอยู่จิตกายจิตของเราเนาะคิดแต่เรื่องไม่ดีเนี่ยก็าก็เสวยแต่กรรมของเราอยู่เช่นนั้นอนะเป็นนรกร้อนจิตร้อนใจไม่เย็นไม่สางไม่สางถ้าจะปิดนรกก็ต้องปิดลงรอยตรงนี้ปิดนรกด้วยมือของเราด้วยการกระทําของเราผู้ที่จเจริญสติเนี่ยถ้ามีสติจริงๆนะ ปิดตะบายภูมิได้เลยเปรตสุรกายสัตว์โลกเดรัจฉานปิดได้จริงจงจะมีจี่เดือนจี่ปีกี่พบจี่ชาติรับผิดชอบไม่ตกประโลไม่เป็นปเปรตไม่เป็นสุนรกายไม่เป็นสัตว์เดรัจฉานผู้ที่มีสตินะผู้ที่หลงเท่านั้นยังไปสู่ไวยภูมิปานนั่นนะปฏิบัติธรรมบางทีจดพูดลงมากับชีวิตตัวโอปัทโธยกมบมวกไหวตัวเอง เป็นพระได้แล้วเนาะนี่มันเป็นพระได้อจริงๆพระคือผู้ปรบสุดผู้ไม่เบียดเบียนใครผู้เบียดตัวเองเป็นพระได้แล้วเนาะ อ, อาจจะนุ่งกางเกงนุ่งเสื้อผ้าถุงเสื้อแขนสั้นเสื้อแขนยาวสีอะไรต่างๆอาจจะเป็นพระในชีวิตกิจใจได้ไม่ใช่ว่าโอ้เป็นพระคือเป็นนั่นอื่นไม่ใช่พระเนี่ยเกิดจากพระสัษธรรม พระสงฆ์เกิดจากพระัทธ ร, รดังที่เราสวดธรรมนะัทธรมัยโชสุปฏิปฏิคุณาพิยุตโตพระสงฆ์เกิดจากพระัทธรรมรรร ม, รรร ม, มีการปฏิบัติ ด, ดีเป็นต้นนั่นเกิดจากการปฏิบัติคำว่าสงฆ์นะสงฆ์ก็คือผู้ที่ทำลายความโลกความโกรธลงได้เบาวางหรือทำลายลงได้หรือหมดไป เอาอันนี้เป็นเครื่องวัดอย่าเอาเพศอย่าเอาเพศอย่าเอาลัทธิอย่าเอาเนื้กายมาวัดกันอย่าเอาชาติชาติวันมามาวัดกันวัดกันด้วยคุณธรรมวัดกันด้วยคุณธรรมจิตใจบริสุทธิ์แค่ไหนเพียงไรจิตใจของเราสะาดหมดจดแค่ไหนเพียงไรนี่วัดกันด้วยใจไม่ใช่วัดกันด้วยรูปแบบวัดกันด้วยจิตใจมีน้ำใจ อย่ามารยาทเรียบรย้อยแก้ไขปรับปุงคิดอะไรพูดอะไรทําอะไรไมีเมตตากรุณานําหน้าไปใช่เลือกที่ลักมักที่จังอิตมิตรภาพราบเรียบเหมือนถนนมิตรภาพตรงไหนที่อัดแน่นก็อัดแน่นตรงไหนที่ปล่อยก็ปล่อยออกไปอิวิตเราก็เป็นเช่นนั้นหนักแน่นบางอย่างก็ปล่อยวางเหมือนกับทางมัน ตรงไหนมันมีทางที่น้ำไหลก็ะปลอยมันไปทําสะพานวางท่อไห้มันไหลไปไม่ใช่จะเอาทั้งหมดชีวิตเราเราอยู่กับโรกอะไรต่างๆความหยุดก็ทําให้ถึงมักถึงผลความยินก็ถึงมักถึงผลมักผลเอาได้หลายอย่างในชีวิตจิตใจของเราที่เราใช้ชีวิตจิตใจของเราไม่ใช่มักผลเพียนแต่เรื่องเดียวความปล่อยความวางความหยุดความเย็นความให้อภัยก็มไม่เป็นอะไรนะี่ะ เยอะแยะไปหมดทางไปสู่มากสู่ผลเยอะแยะได้จากกายจากจิตใจของเราอย่าให้มันเป็นโทษเป็นภัยเรามีกายเราไม่จิตใช้กายใช้จิตให้เป็นวัตถุอุปกรณ์ไปสู่มากสู่ผลไปสู่สวรรค์นิพพานอย่าใช้กายใช้จิตไปสู่ใบ ย, ยภอมพรมมัก็เดือดร้อนตัวเราเอเราจะทําให้เราเดือดร้อนหรือชีวิตเรานะ่ะไปหลงทําไมไปโกรธทําไมไปทุกข์ทำไม จะหลงจนตายจะโกลดจนตายจะทุกข์จนตายมันไม่ใช่ชีวิตชีวิตแบบนั้นไม่ได้ชีวิตเลยชีวิตของเรามันต้องหมดสิ่งเราในไปเรียกว่านิลันโดนชีวิตนิลันโดนเท่านี้เองการปฏิบัติธรรมไม่ใช่มากเรื่องจนเราทำไม่ได้ธรรมะในปฏิบัติได้ถ้าธรรมของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติได้ ผู้ปฏิบัติย่อมรู้ยิ่งเห็นจริงตามสมควรจ่ปฏิบัติเห็นเราจเจริญสติทุกคนทำได้ไม่มีใครกล้าปฏิเสธลองเอามือวางไว้บนเขาหลวงพ่อเคยไปสอนหลายหลายหลายประเทศหลายลทิเอามือวางไว้บนเขา่ารู้สึกตัวไหมเขาก็บอกว่ารู้สึกตัวได้คณเป็นถือศาสนาอะไรคณถือศาสนาคิดบางคนเขาก็บอกว่าผมเป็นอิสลาม เมื่อมานานมานี่คนอิสลามมาที่นี่เขาบอกว่าเขาเป็นอิสลามมางคนก็บอกว่าพุทธบอกว่าเอามือวางไว้บนเขา่าเดี๋ยวนูมือคุณอยู่ท่าไหนนู้นมือคุณอยู่ตรงไหนเขาบอกว่าอยู่บนเขา่าอะไรที่ลู่เอามืออยู่บนเขา่าความรู้สึกตัวสติสมชัญญะอันเดียวเป็นของกริงเป็นศัจธรรมเป็นสากลธรรมที่เป็นสากลที่สุดความรู้สึกตัว ถ้าใครปฏิเสธความรู้สึกตัวก็แสดงว่าไม่ใช่คนธรรมดาแล้วเพี้ยนไปแล้วมีแต่ความหลงแค่นั้นไม่ได้ต้องมีความรู้สึกตัวเป็นมรดกเป็นอารียทรัพย์ใช่จ่ายเพื่อใช่จ่ายในยามจําเป็นถ้าไม่มีเกิงๆนะพอแก้ขัดแย้จนได้ก็ยางดีเหมือนเรามีเงินมีทองเล็กน้อยๆพอได้อยู่ได้กินก็ยางดีดีกว่าที่จะจน องโวราณท่านว่ายามอยากโยนเอาดอกหญ้ามาแซมผมประดับเล็กๆ น, น้อยๆเวลาใดมันหลงรู้สึกตัวเวลาใดมันทุกข์รู้สึกตัวแก่ไปถ้ายังมีไม่มากนะแต่ถ้ามันมีมากแล้วโอ้ยมันหายไปเลยความโกรธอาจจะเป็นขั้งสุดท้ายความหลงอาจจะเป็นครั้งสุดท้ายความทุกข์อาจจะเป็นขั้งสุดท้ายเราก็พูดอยู่แต่นี่แหละเพราะหลักตอมันอยู่ที่ไหนมันผูกเราอยู่ที่ไหน เราไม่ไขกุญแจแจ้โู่มันก็หลุดไม่ได้ต้องหลุดไปจากความหลงถ้าจะพูดแล้วหลงนี่แหละตัวลงนี่แหละสําคัญเพราะหลงมันจึงโกรธเพราะลงมันจึงทุกข์เพราะหลงมันจึงโลภเพราะหลงมันเป็นลายล่าต่างๆไปทางต่ํำๆไปทางต่ำก็ไปสู่ภูมิท่านต่ําถ้าโลกไปทางสูงๆคนถือคิดไปต่ําๆอนุษย์คิดไปสูงๆคนคิดไปต่ําๆ แล้วมก็ง่ายนะคิดแบบต่ําๆถ้าสมมติว่าถ้าคิดแบบต่ําๆทาไมจึงพูดอย่างนาั้นทำไมจึงทําอย่างนี้ล่ะคิดไปต่าๆถ้าคิดไปสูงๆเออไม่เป็นไรไม่เป็นไรคิดไปสูงๆเดี๋วทวนแล้วทวนกระแสของความต่มาํามันน้ำที่ไหลลงสู่ที่ต่ําขังเอาไว้กักเอาไว้ทวนเอาไว้การที่จะได้บรรลุธรรมต้องทวนสักหน่อยนะ เช่นพระพุทธเจ้าของเราสมัยที่ยังไม่เป็นพระพุทธเจ้าเสียงถาดถ้าเป็นภาษาคนธรรมดาก็เป็นถาดไหลไปตามน้ำไหลทวดน้ำเป็นถาดถ้าเป็นปุกรธิฐานหมายถึงถาดเก่งๆลอยถาดแม่น้ำเนรัญชาลาถ้าเป็นธรรมมาทิศสถานเอาธรรมเป็นี่ตังหมายถึง กิจที่มันทวนกระแสพระองค์อาจจะคิดถึงเพียมพานะอาจจะคิดถึงราหุนอาจจะคิดถึงพระราชาสมบัติพัดสถานทรัพย์สินเสด็จคารอาจจะคิดถึงบริวารทั้งปวงไผ่พระประชาราชนเวลาใดที่พระองค์คิดถึงอย่างก็กลับขึ้นมาไม่ใช่เรามาคิดถึงเพียมพาราหุนเรามาสแสวงหาโมฆะธรรมกลับมาอยู่กับตัวเอง อาจจะพองอาจจะหายใจเข้าหายใจออกหนพรสัสตรก็อาจจะบอกว่าการคู่แขนเข้าการเดียดแขนออกการคู่แขนเข้าการเดียดแขนออกการเดินไปข้างหน้าการถอยกลับมาข้างหลังมีสติบับพภะต่างๆเอามาเป็นการปลุกสติทางกายทางจิตกายบับพภะอย่างที่เราสร้างอยู่นี่เป็นกายบับพภะเป็นสัมปชัญญะบับบพภะ เอาความรู้สึกตัวไปกับอริบทต่างๆเรียกว่ากายบัพพะสมัชัญญาบัพพะกิจบัพพะเอาความรู้สึกตัวเห็นความคิดอย่าให้มันคิดฟรีๆมันคิดมันหลงทีใดรู้สึกตัวรู้สึกตัวจ่ะเรียกว่าบัพพะต่าง ๆ, ตางๆเต็มไปหมดเลยเอามาปลูกสติเอามาปลูกสติชีวิตเราไม่ใช่ก้นเห็นไม่ใช่ลักแค่ต่อไปทํางานทาํางานผู้มีสติพร้อมที่จะทํางานงานงานชอบ เหมาะที่จะทำงานทำงานผู้มีสตินะผู้ไม่มีสติอาจจะไม่เหมาะเพราะทำอะไรลงไปมากแกหลงทำให้เกิดการเสียหายผู้มีสติมอแกการงานที่สุดเลยยิ่งพวกเราเป็นหมอเป็นพยาบาลเป็นแพทย์เนี่ยโอ้ยใส่ความรู้สึกตัวเข้าไปกับการใช้ชีวิตกับเพื่อนร่วมงานกับอะไรต่างๆรู้สึกตัวรู้สึกตัวเข้าไปนะ เหมาะแก่การงานถ้าขาดใจก็กระทบกระเทือนเมื่อกระทบกระเทือนเราก็ขยายผลไปทางที่ดีทำงานก็เป็นทุกข์งานม่ต้องสนุกสนุกพอทำงานเบิกบานใจถ้าเท่าทำดีวันเราก็ปลูกต้นไม้เนี่ยโอ้ชื่นใจอีกสิบปีมาดูต้นยางใหญ่โตโอผลงานของเราต้องมีอะไรที่วางไว้กับโลกกับแผ่นดิน ช่วยกันหลายอย่างที่เราต้องช่วยกันในยามนี้เวลานี้ในโลกปฏิบัติตนเพื่อประโยชน์ตนประโยชน์ท่านประโยชน์แก่โลกประโยชน์แก่ศาสนาทุกคนต้องเผยแผ่ศาสนาเอาไปอวดพ่อไปอวดแม่อวดเพื่อนเรามีสติบางทีเนี่ยหลวงพ่อได้รับชดมาจากประเทศอังกฤษลูกศิษย์คนหนึ่งเราเคยมาอยู่ที่นี่เป็นคนเชียงใหม่ลํำไย นี่เขาเออกมาจากเชียงใหม่แล้วมาปลูกเขาเป็นอาจารย์สอนอยู่ที่มาหาลัยเชียงใหม่นี่เขาก็เรียนต่อปริญญาเอกที่อังกฤษเขาเลยได้แฟนที่นั่นเราได้ลูกสองคนเราตามหาลูกเขาเพราะมันกลับบ้านแล้วมันไปไหนมันไม่เห็นพ่อก็ตามไปดูไปเปิดห้องดูเห็นลูกชายนั่งสร้างเจ้งว่าออกมาเมียของตัวเองบอกโอ้มันนั่งสร้างเจ้ว่าอยู่โน้น พ่อแม่ชื่นใจเห็นลูกชื่นใจเป็นยาหอมสำหรับพ่อสำหรับแม่อันนี้มันทำห้ชื่นใจได้นะพ่อแม่อาจจะได้สวรรค์ในพานลูกใครทำงา้เขาก็อวดเขียนจดหมายมาอวดหลวง่าฉันก็ได้สามีเป็นคนดีฉันก็ได้ลูกเป็นคนดีมีความสุขได้สวรรค์ในผานเพราะลูกลูกจงพ่อจงแม่ขึ้นสวรรค์ในผาน ไปเชิญลูกจวงพ่อจวงแม่ลงละโลกหมกไว้งานญาติหลวงพ่อนะเป็นครูมีลูกสาวไปทํางานที่กรุงเทพคิดถึงลูกสาวขอพูดสักหน่อยนะชวนกันไปเยี่ยมลูกสาวที่กรุงเทพไปถึงตอนกลางคืนเห็นแต่บ้านเปล่าๆใส่กุญแจไว้พ่อกับแม่ก็เข้าบ้านไม่ได้นั่งไล่โยงอยู่จนถึงเที่ยงคืน ลูกสาวขับรถกลับมาบ้านปรดจอดบ้านพ่อก็ถามแม่ก็ถามมึงมาแต่ใสเอนาง่งหนูไปเต้นมาทำามเต้นคืออะไระหนูไปดีดไปเต้นมาไปเต้นกับเพื่อนพ่อแม่ก็เศร้าใจโอ้ยกูอดสอยคิดถึงมึงมึงยังสนุกสนานไปเต้นไปลําไปอ่อนไปลําไปสนุกสนานเนาะ พ่อแม่อุตส่าคิดถึงพอไปเห็นลูกบอกว่าไปเต้นมาโอ้ก็คือไปเที่ยวไปเล่นสนุกสนานแบบเศร้าเศร้าใจเพราะฉะนั้นนะต้องมีฝีมือเรื่องนี้บ้างเรามีบุญ็ทําใทำไมเกิดบุญบุญก็ไปต่อบุญจนะ้คนดีก็ต้องมีคนดีคนไม่ดีก็ต้องมีคนไม่ดี เป็นเพื่อนเป็นมิตรบุญมันต่ออาบุญบาปมันต่ออบาปบุญคือความดีบาปคือความไม่ดีเรามาสร้างขึ้นมาให้มีให้ชีวิตจิตใจของเราความรู้สึกตัวเนี่เป็นสิ่งประดับเป็นการให้ข้อมูลกับชีวิตจิตใจของเราเพิ่มไปเรื่อยๆใส่ใจใส่ความรู้สึกตัวไปกับการใช้ชีวิต เพมควมรู้สึกตัวไปกับการใช้ชีวิตอาจจะงอกงามอยู่บนงานบนรรลุ ธ, ธรรมอยู่ที่ทํางานทําการและคนที่ไปบรรลุ ธ, ธรรมนอกรูปแบบไม่ใช่นั่งสร้างจังหวะไม่ใช่เดินจงกรมไปเลี้ยงหมูก็เกิดเข้าใจธรรมะไปเก็บป้าอยู่ในไร่ทำไมก่อนหลงหงตาอยู่มองลยชาวบ้านทําไร่เป็นอะไขีพ วเวล า, า, าเจ็บป้ายเขาก็เจ็บป้ายมือไปเจ็บป้ายมาใส่ผ้าถุงไปมือเจ็บป้ายเขาก็รู้สึกตัวกับมือเจ็บป้ายเขาบอกว่าเขาเข้าใจธรรมะตอนที่ไปเก็บป้ายใส่ความรู้สึกเข้าไปใส่ความรู้สึกเข้าไปก็มีเหมือนกันบางคนก็อาบน้ํำใครที่สูสบู่มันมีได้ประทศบัติตายหลายคนที่บรรลุธรรมเห็นใบไม้ร่วงก็บรรลุธรรมสมัยก่อนข้างสมัยพระพุทธเจ้า พราหันทั้งหลายเห็นใบไม่ร่วงก็ได้บรรลุธรรมเห็นท่อนสุงไหลมาตามน้ำก็บรรลุธรรมแม่แต่ได้ยินเสียงโสเพณีร้องให้เจ็บปวดเพราะเป็นโรค ก, ก็ได้บรรลุธรรมเหมือนกันอเป็นเช่นนั้นนะเพราะนั้นก็ต่อเอาไว้ต่อเอาไว้ต่อเอาไว้อย่าให้มันเสื่อมนะอย่าให้มันเสื่อมเพราะเราโูภอยู่แล้วทุกข์ว่าทุกข์มันเป็นอย่างนี้ความไม่ทุกข์มันเป็นอย่างนี้อย่างนี้ ความหลงมันเป็นอย่างนี้อย่างนี้ความไม่หลงมันเป็นอย่างนี้อย่างนี้เนี่ยมันจะสูงถ้าพูดอย่างนี้ได้เวลาใดมันหลงโอ้หลงมันเป็นอย่างนี้อย่างนี้ไม่ตำตำความหลงความไม่หลงมันเป็นอย่างนี้อย่างนี้กอบกูก้เกิดมาชีวิตที่ไม่เป็นอะไรกับอะไรเรียกว่าบริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงเป็นพรหมจรรย์เป็นพระเป็นชีวิตที่ประเสริฐพระในใจไม่ใช่พระตามรูปแบบพระสมมุติสงเหมือนกับหมู่หลงพ่อ เป็นพระอริยบุคคลผู้ที่ไม่จมอยู่ในความทุกข์ยกตนออกจากทุกข์เป็นเป็นพระน้อยๆก็นิพพานน้อยๆเป็นพระเฉมลองนิพพานเ็มรองเย็นไปเรื่อยไเย็นถึงที่สุดเย็นสนิทไม่มีพิษไม่ภัยนั้นะอาจจะเย็นเพียงอุ่นๆอยู่ก็ยังดีกว่าที่มันร้อนม่มีไออุ่นก็ยังดีกว่าที่มันร้อนจริง เย็นชะนิดตโอ้ที่สุดแห่งทุกข์นั่นแหละคือจุดไมายปลายทางของชีวิตเราชีวิตเราต้องขนส่งตนเดกให้พ้นภัยต่างๆศาสนาเนี่ยเป็นการขนส่งชีวิตของตนให้พ้นภัยพ้นปัญหาเนี่ยยอดศาสนาวันนี้ก็สมควรเจเวลาจบลงพงไว้แต่เพียงเท่านี้ให้พนนอนะก็เอาหน่วยอวยพรให้ทุกท่าน ที่ได้ตั้งใจมาดีแล้วปฏิบัติธรรมจงได้เป็นตบะเตชะค่ำจุนหนุนส่งชีวิตจิตใจของตนให้เข้าถึงคุณธรรมเบื้องสูงในาศาสนาสมาสมัมบรเจ้าในชาติปัจจุบันนี้ด้วยกันทุกคนทุกคนนั่นเธอ